เพราะฉะนั้นเรื่องจิตนี่เรื่องใหญ่มากนะเจที่มันจะเป็นไปอย่างนี้เนี่ยมันมาจากตัวสําคัญเลยอะ่ะตัวหัวหน้าใหญ่คือเรื่องจิตเนี่ยแต่ถ้าจิตเป็นเมตตาทุกอย่างมาอะไรดีหมดเลยนะเจนพานุแก้ปัญหาใน108ร้อยแเลยกายกรรมวิชีกรรมนั้นดีหมดเลยนะเจนพาน่ากลัวนะครับอยู่ในสังสารวัฏนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี่นะครับบางอาชีพนี่นะโอ้โหวาจานี่ ดุเดือดอชีพทหารตำรวจดุเดือดมากนะพูดงองงแง ง, งงนี่นพูดไม่ได้ยินไปโ น, โ น, โไไนู่นพูดนู่นไปสนามฝังนู่นแล้วพูดหม่ยดีมันไม่ได้ยินนู่นไล่ไปนู่นพู ด, ดโนดกนมานู่นมันก็ฝึกมันดุเดือดนะนะเราไม่รู้สะสมอะไรไว้เยอะเลยนี่น ะ, ะกรรมม<ช>ัน<ช>จะให้ผลยังไงก็พิสดารยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับวิกฤตจริงๆเลยนะโอ้หน่ากลัวมากนั้นชีวิตนะกรรมที่เราสะสมพ่อพูดไม่นะ มันวิ่งตามมาข้างหลังเนี่ยซึ่งซึ่งมองไม่เห็นเนี่ยไม่ใช่น้อ ย, อ ย, อยเลยนะคิดดูแต่มันให้ผลขนาดนี้คนก็ยังไม่ค่อยจะเห็นเลยใช่ไหมคือกุศลวิบากนะเห็นผู้ที่ เ, เห็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นกุศลวิบากแล้วก็กุศลวิบากนี่ไม่ใช่วิบากดีธรรมดาเพราะเป็นผู้ถึงไตราสารณาคมนะก็นับว่าเห็นกาลยานามิตรนั่นแหละแต่เราก็ไม่ไม่ด้คือคิดคิดถึงเรื่องนี้น้อยหน่อยคิด ค, ค, ค, คิดไม่มากอนนะคิดในความเป็นเออเนี่ยสีเหล่านี้เป็นผลของกรรมนะ จิตใจก็สีเหล่านี้มีจิตที่ดีเป็นปัจจัยด้วยแล้วก็กรรมมชโลภเหล่านี้เป็ น, ปนผลของบุญใช่ไหมแต่ก็ปารัสิ่งเหล่านี้น้อยมากนะทั้งๆที่ตราบุญตราบาปก็ให้ผลอยู่ตลอดแล้วจกักขูวิญญาณหรือจกักขูภาษาทาของเราก็มาจากตราบุญหรือตราบาปด้วยวันนี้เรียนเรื่องจักขูพอดีเลยที่ที่พิสุทธิมากกันนะ ว่าจักขูปภาษาธรูปเนี่ยนะมาจากกรรมกรรมกรรมนี่เป็นปัจจัยให้จักขูปภาษาธรูปเนี่ยเกิดขึ้นเขาบอกว่าเป็นความใสของมหาภูตรูปนะจกักรูปนี่คือความใสของมหาภูตรูปซึ่งมีกรรมที่เป็นเหตุใกล้จะเห็นเป็นเหตุใกล้นะก็คือมาจากกรรมที่มหาภูตรูปเกิดจากกรรมแต่กรรมอันนั้นเนี่ยเป็นกรรมประเภท เพื่อต้องการเห็นดันั้นกรรมตัวนั้นมาจากกรมปััญหาหรือรูปปัจจันหะากรรมตัจหารูปปัจจัญหาเกิดขึ้นปั๊บปรารถนาที่จะเห็นสีนตัญนั้นัหานั้นเป็นปัจจัยให้กรรมเกิดขึ้นกรรมเพื่อให้มีจักขู่จักขู่เกิดขึ้นก็รับรู้สีพอจักขู่กับสีปั๊บจักขูวิญญาณก็เกิดขึ้นจักขูวิญญาณทจากตัวจักขูวิญญาณก็เป็นผลของกรรมด้วย อันเรื่องพวกนี้เราต้องต้องศึกษาเพื่อให้เรารู้ความรู้อันนี้เป็นปริญญาไหมเป็นประเภทยาตะปริญญาซึ่งเราจะต้องพอกพูนสะสมวันนี้ก็เลยเ อ, อประทับใจไอ้คำว่ามหาภูตรูปมืนนะซึ่งเป็นกรรมซึ่งมาจากกรรมเป็นเป็นสมุทฐานซึ่งกรรมอันนั้นเป็นกรรมประเภทใคร่จะเห็นซึ่งใคร่ความใคร่อันนั้นมาจากรูปปตัตนหาหรือกรมมติหา ในตันหาสามใช่ไหมการมตันหาภวตันหาวิภวะตันหาตันหาที่ปราทานจะเห็นสีเรียกว่ากามตันหาแต่ถ้าโดยตันหาหเรียกว่ารูปปัตนหาสัทธตันหาคันธตันหารสตันหาโพธิภพตันหาธรรมตันหาอยู่ประเภทรูปปัตนหาตันหาตัวนี้แหละเป็นปัจจัยที่ต้องการเห็นสีทํากรรมเลยทําให้มีจักรุปหมายถ้าจักรูไม่มีเนี่ย มันเป็นโลกที่บอดมองไม่เห็นอะไรทักอย่างอตัณหานั้นเป็นปัจจัยเพราะาเห็นเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยโอ้หเนี่ยตราบุญตราบาปอะนั่นเนี่ยท่านกระสงเคราะห์อริยสัจสีให้ฟังให้พอะเพาะ อ, อ, อีกหน่อยสิครับ <จน S 2> ตรงเนี้ยตรงเนี้ยนั่นแหละตัณหาที่เป็นเหตุให้เกิดจากขุเป็นสัจจะไหมสัจจะข้อสมุทัยสัจนะจากขุ นะที่ที่อาศัยมหาพุรูปหรือความสายของมหาพุทูปจากโคอันนั้นเป็นทุกข์สัตว์ถ้าไม่มีตันหาจากโคนี้จะมีไหมถ้าไม่มีรูปประตันหาหรือกามตันหาจะไม่มีจากโคเลยนะเพราะถ้าไม่มีรูปประตันหาเลยเนี่ยผู้นั้นถ้าเป็นโลกิยาอยู่อย่างน้อยก็ต้องเป็นอรูปประพรมนะต้องเป็นอรูปประรมเพราะอรูปประพรมเนี่ยละอารูปประพรมนะั้นละรูปประสรัญญา นานัตตสัญญาปฏิฆะสัญญาและสัญญาเหล่านี้จึงเข้าอากาสานัญจายตนะโดยบริกรรมว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดแล้วพวกนี้ต้องเบื่อในกามสัญญารูปประสัญญานานัตตสัญญาปฏิฆะสัญญาต้องเบื่อสัญญาที่ในทวิปัญจาวิญญาณจิต10เห็นโทษของสัญญาในทวิปัญจวิญญาณจิต10เห็นโทษของสัญญาในจักขุ หรือว่าในทวิปัญจวิญญาณจิตเสบเรียกว่าปฏิฆาสัญญาเพราะมันกระทบกระทั่งนะส่วนสัญญาที่เกิดกับจิตนะจิตที่เหลือนะชวนะจิตที่เหลือเรียกว่านานตสัญญาเป็นสัญญาที่รับรู้เรื่องราวต่างๆเป็นจิตที่รับอารมณ์ต่างๆส่วนรูปประสัญญาก็คือสัญญาในรูปปัจฉันนะ ร, รูปผู้ที่จะเข้าอากาสารัญใจ ย, ยตนะต้อง อัน น, นสลัดจากรู ป, ปรสัญญาก็คือในรูปประชานปฏิฆาสัญญาคือสัญญาในทวิปัญจาวิญญาณในจิต10และก็นานัตตาสัญญาคือสัญญาในชาวนะทั้งหลายต้องครอบงำสัญญาเหล่านี้จึงจะเข้าอากาสานัญจา ย, ยตนะได้เพราะถ้าผู้ที่สำเร็จอากาษ า, า, า, านัญจา ย, ยตนะก็เป็นประเภทกรรมภพใช่กรรมภพอันนั้นเพื่ออุปติภพคือปฏิสนที่เป็น อากาศารัญจายตนะพรมพราะนั้นพรมชั้นนี้ไม่มีการเห็นไม่มีการเห็นการได้ยินไม่มีอะไรสักอย่างเจริเพรพ่อไม่มีภาษาทรูปส่วนรูปประพรมก็ยังดีในการเห็นอยู่เพราะยังยินดีในนิมิตคือการเห็นเช่นพรมบางท่านเจริญกสินก็ยังยินดีในการเห็นที่เพราะการเจริญกสินนี่อาศัยการเห็นเป็นปัจจัยดังนั้นก็ถือว่ายังยินดีในการเห็นอยู่ถ้าหากว่ายังยินดีในสีนะ ก็แสดงว่าทากรรมเพื่อให้ได้ตายอีกแล้วละ่ะเพราะฉะนั้นถ้ายังยินดีในสียังไงก็ต้องเห็นอีกแน่แต่จะเห็นอะไรอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะสีมีสมุทฐานเท่าไหร่สีมีสมุทฐานสี่จากโคลเนี่ยนะมีสมุทฐานคือกรรมกรรมที่ทําให้เกิดจากโคลมีเท่าไหร่อกุสลและจิตสิบสองทให้เกิดจากโคลไหมอกุศลก็ทาจากขควัตถูกเกิดได้กุศลก็ทาให้เกิดจากโควัตถุได้ นี่จกักรหรือตาเนี่ยนะที่มาจากกรรมเนี่ยกรรมทั้งที่เป็นบุญและเป็นบาปก็ทําให้เกิดตาเช่นตาของสัตว์ทั่วไปที่เรียกว่าสัตว์เดรัจฉานเป็นตาที่เกิดจากอากุศลวิบากตาของมนุษย์มาจากกุศลแะวิบากทีนี้กุศลอันนั้นเนี่ยกุศลมีกําลังมากไหมที่จะทําให้มีตามีคุณภาพหรือเปล่ามันก็เหมือนกับเรามีพวกแว่นตานะแว่นตาของบางคนเนี่ยเป็นพลาสติกอ่ะ ซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นแว่นที่ไม่มีคุณภาพเลยใช้มากๆสายตาเสียแว่นบางคนมีคุณภาพมากขึ้นชันใดจักขู่วัตถุของเราก็จะคล้ายๆกันมาจากกรรมที่มีคุณภาพมากไหมทีนี้ไอ้กรรมที่มีคุณภาพหรือว่ากรรมนั้นอ่ะมีกําลังแรงเนี่ยเราก็สังเกตดูวันๆหนึงเนี่ยกรรมชนิดไหนเรามีกําลังแรงเพื่อให้ได้จักขู่นั้นอีกนั้นถ้าหากว่ากรรมที่อ่อนกําลังมา ก, ก น, นะก็แสดงว่าเตรียมทํากรรมประเภท ให้ทานไว้เยอะๆจะได้มีค่าตัดแลนตาเพราะว่าจาักรูเนี่ยเป็นกรรมะเชรูปใช่ไหมเมื่อเป็นกรรมะมโรูนั้นอะ่ะถ้ากรรมบางอย่างมาเบียดเบียนมาตัดรอนเป็นต้นจักขูก็มีปัญหาอันนี้เฉพาะกรรมในจักรูนี้ ย, ยังมีอาหารอีกอาขาดวิตามินก็แย่เลยใช่ไหมถ้าขาดวิตามินนี่จะแสบตาจะทำให้เห็นไม่ค่อยชัดถ้าสภาพจิตเราไม่ค่อยดี ตาเขาไม่ดีไนงะบางคนเนี่ยตาต้อเกิดเพราะสุขภาพจิตไม่ดีนะต้อบางอย่างเกิดจากกิตที่ไม่ดีต้อลมก็เกิดจากรับลมมากเกินไปหรือต้อบางอย่างก็เกิดจากลมต้อบางอย่างก็เกิดจากอาหารเพราะฉน้ำกรรมก็อาศัยช่องเล่นงานทันทีเลยเพราะว่าคนทั้งหลายเนี่ยทาทั้งดีและชั่วนะทำทั้งเรียกว่าทั้งเพื่อให้ได้รับผลที่หวานและก็ขมขื่นนะทั้งหน้ายินดีทั้งไม่น่ายินดี ถามสรุปทั้งหมดอะไรน่ากลัวที่สุดความคิดขณะนี้ที่ทำกรรมอ่ ะ, ะน่ากล้วก็อย่าไปโยนอะไรให้กรรมถ้าอย่างเดียวเนาะชอะไรไปโยนตาไม่ดีเนี่ยอย่าไปโยนให้กรรมอย่างเดียวมันโยนอื่นเ <4 S 2> ยอะเลยอ่ะใช่ไหม<ะ>กรรมจิตอุตุและอาหารแต่กรรมจะไม่ให้ผลเลยถ้าไม่มีตัณหาที่ยินดีในการเห็นนะถ้าผู้ที่ละคลายความยินดีในการเห็นได้ ผู้นั้นจึงจะทําที่สุดแห่งทุกในเรื่องตาได้แต่ทีนี้ถ้าจะละรูปปัญหาหรือสีเนี่ยจะทํำยังไงตัญหารูปปัญหาอาตัญหายินดีในสีถ้าจะละละได้อย่างไรนะเไม่ละไหมละไหมเออจะละทํำยังไงดีอา่าถ้าจะละตัญหาอันนี้เนี่ยที่ว่าคืออะไรถ้าทําปริญญาในสีนะ เจริญญาตะปริญญาตีระณะปริญญาปานะปริญญาในรูปารม์จึงเป็นปัจจัยเพื่อตัดกรรมนะถ้าหากว่าโซดาปฏิมตคเกิดขึ้นนะจะเห็นแบบมนุษย์เห็นไม่เกินเจ็ชาติอ่านะเพราะว่าไอ้พบที่แปดเนี่ยโซดาปฏิมาคตับเลยละไม่ให้เห็นอีกแล้วพบที่แปดเรียกว่าจากคูภาษา้าจะเกิดอีเจ็ดหนว่างั้นเถอะ่เ็วนใช่ไหครับ นั่นแหละเกิดเกิดอีกเจ็ดเจ็ดหอนอนั้นที่ที่กรรมเนี่ยก่อขึ้นอ่ะนะพันเอาไหมจะ ไ, ได้เห็นอีกเจ็ดชาติอบางท่านกลัวนะบอกไม่มีตาี่ชักกลัวแล้วนะเนี่ยครับไม่ได้ไ<ม><า>เห็นอีกแล้วเหรอกลัวเลยเนาะไม่เป็นไรกลัวก็จะได้เห็นสิ่งที่น่ากลัวมากขึ้นอีกโอท่านอย่าแช่งทีไม่ได้แช่งเพราะทําเหตุไม่ดีหรือเปล่าใช่ไหม ถ้าหากว่าเออเป็นพรหมก็ยังชั่วใช่ไหมพรหมเนี่ยที่เมืองพรหมมีแต่เพชรมีแต่อะไรก็ยังชั่วหน่อยทีนี้ไอ้กรรมที่เป็นบาปหรือใครไม่ทรรํากรรมล่วงกรรมบดเลยนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ร่วงกรรมมาบดเนี่ยคิดกันทํากันมากมายมหาศาลแล้วจะไม่ไปอบายหรอือถ้าไปอบายแล้วจะไปเห็นอะไรใช่ไหมสมมุติถ้าไปอยู่ในฟาร์มหมูเนี่ยจะเห็นอะไรจะเห็นเนืหมูด้วยกันนะ อยู่ในฟาร์มไก่ก็เห็นแต่ไก่ด้วยกันอยู่ในบอ่อปลาก็เห็นแต่ปลาอยู่ในฟาร์มกบก็เห็นแต่กบด้วยกันนะมันก็จะไปสู่พักพวกพวกกันอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กิเลสที่ยินดีในสีเนี่ยนะเป็นเหตุที่ก่อทํากรรมมากมายมหาศาลเพราะสีเพราะสีบางอย่างนะทําให้คนฆ่าสัตว์ทําให้คนลักทรัพย์ทําให้คนประพฤติผิดเรียกว่าบุตรภรรยาผู้อื่นทําให้คนถึงกับมู่สาววาด เพอเจ อ, อเร์ส่อเสียดพฤสวาจาหรือแม้กระทั่งอนะไออัออพิชาพยาบาทหรือพ่อสีอีกนั่นแหละก่อให้เกิดมิจฉาทิฏฐิเพะในในสิ่งเหล่านี้จริงๆอ่ะมีโทษนะพระองค์เนี่ยกล่าวโทษแห่งกาวไม่มากมายิ่งนักนก็นนที่เรามีตาเพราะว่าเรายังเยื่อใยในตาอยู่ใช่ไหมครับที่เรามีตาก็เยื่อใยในสีอยู่ด้วยใช่ไหมครับด้วยเจนทอน อันนะ่ะเพราะเหตุที่ทําให้เกิดตานะีก็คือหนึ่งยังยินดีในสีสองบางคนก็ทํากรรมเพราะปรารถนาจากสุขนั่นแหละอย่างอย่างสมัยสมัยก่อนเนี่ยของมาชอบเอาไฟไปบูชาพระเราจะได้มีตาเจ๋อเจ๋อหน่อยอันนะั้นเรียกว่าทํากรรมเพื่อเพื่อให้ได้มีตาเลยนะเอาเอาเทียนไปจุดบูชาพระเสร็จแล้วขอให้เรามีตาใส่ส่นะเห็นชัดชหน่อยอะไรทํากรรมประเภทนั้นโอ้เนี่ยกรรมประเภทที่เป็นไปเพื่อให้ได้ จากสู่อีกแต่ว่าไม่ได้แค่ตาแบบนี้หรอกโอมันมองไกลยอยากได้ตาทิปด้วยนะ <c oughs>